อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอามาสร้างความสุขให้แก่จิตใจและดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปด้วยความศรัทธาความเชื่อในธรรมสางคำสอนด้วยความขยันมันเพียงในการที่จะปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนอย่างเคร่งครัดถ้าได้มีความเชื่อมีความศรัทธาและได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วผลประโยชน์ต่างๆที่เพิ่นจะได้รับก็จะปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจของตนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการทำบุญต่างๆในพระพุทธศาสนา ว่าการทำบุญนี้คืออะไรทำแล้วจะได้อะไรจากการทำบุญการทำบุญก็คือการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับจิตใจและเป็นการดับความทุกข์ต่างๆให้กับจิตใจและป้องกันไม่ให้จิตใจ ตกลงสูงที่ต่ำนี่คือเรื่องของการทำบุญคือเป้าหมายก็คือเพื่อให้ใจของเรามีความสุขมีความเจริญมีความทุกข์น้อยลงและป้องกันการตกต่ำของจิตใจบุญที่ทำนี้ก็มีหลายวิธีด้วยกัน ในคำสอนของพระพุทธเจา้านี้ก็สอนไว้ถึง10วิธีด้วยกันวิธีทาบุญเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้กระทาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจของผู้ที่ทาบุญนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็สามารถเอาบุญทั้งหมด ที่ได้สร้างที่ได้ทำไวน้นี้เอาติดไปกับจิตใจเพื่อเป็นการรักษาจิตใจให้ให้สุขขึ้นให้เจริญขึ้นต่อไปบุญต่างๆนั้นเราเรียกว่าบุญญกิริยวัตถุสิบประการบุญข้อที่หนึ่ง <c oughs> ที่ทรงสอนให้ชาวพุทธเราทำกัน ก็คือทานการทำทานการทำทานนี้แปลว่าการให้เช่นเรามีข้าวของเงินทองต่างๆที่มีมากกว่าความจำเป็นของเราที่จะต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเราก็เอาไปให้ผู้ที่เขาต้องการ พู้ที่เขาเดือดร้อนขาดแคลนอันนี้ก็เรียกว่าทานแปลว่าการให้เมื่อให้แล้วใจก็จะมีความสุขแล้วใจก็จะสูงขึ้นจเจริญขึ้นผู้ที่ให้นี้จะได้ราปณิสงของบุญที่ได้ทำยกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงกว่าระดับของมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับของเทพต่อไป ข้อที่หนึ่งคือการทำทานและข้อที่สองที่เกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันก็นกคือการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเรียกว่าการอุทิศบุญเวลาเราทำบุญนี้เราจะเกิดบุญขึ้นมาในใจเกิดความสุขใจเราก็สามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เพราะผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว เขาไม่สามารถที่จะทำบุญได้แล้วจะทำบุญได้ก็ต้องทำแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นฉะนั้นถ้าตายไปแล้วนี่ถ้าเกิดจิตใจของเราไม่ยังไม่ได้ไปถึงสวรรค์<ม>ก็สามารถเอาสายบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่นี่ส่งไปให้สนับสนุนให้ จ, จิตใจหรือดวงวิญญาณนี้ขึ้นสู่สวรรค์ต่อไปได้อันนี้คือข้อที่สองในการทำบุญซึ่งเป็นเป็นเกี่ยวเนื่องกับข้อที่หนึ่งเราจะสังเกตว่าเวลาเราทาบุญกันเราจะมีการอุทิศบุญกันกวดน้ำอุทิศบุญน้ำนี้เป็นเพียงแต่ตัวอย่างของบุญเราเทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่ง ภาชนะที่ที่ใส่น้ำนี้เราเรียกว่าจิตใจของพวกเราแล้วก็ภาชนะที่รองรับน้ำที่เราเทออกจากภาชนะที่ใส่น้ำาก็เป็นจิตใจของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วหรือเป็นของดวงวิญญาณของผู้ที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วนี่คือน้ำนี้เป็นเพียงแต่เป็นเป็นการสาธิต เป็นการแสดงตัวอย่างเนื่องจากว่าบุญนี้เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าๆ เ, เป็นเรื่องของความรู้สึกภายในจิตใจคือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดขึ้นจากการทำบุญทำทานพอทำแล้วเราก็สามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ถ้าเขามารอรับส่วนบุญอันนี้ ถ้าเขาไม่มารอรับก็แสดงว่าเขาไปอยู่ในที่ที่เขาไม่ต้องการบุญแล้วก็ได้คือเขาไปอยู่ในสวรรค์แล้วหรือในกรณีที่ถ้าเกิดเขาทำบาปไว้มากเขาก็อาจจะไปอยู่ในอบายที่เขาไม่สามารถที่จะออกมารับบุญก็ได้แต่ถ้าดวงวิญญาณยังสามารถออกมารับบุญได้ แล้วถ้าเวลาเราทําบุญแนละ้วเราอุทิศบุญให้กับเขาเขาก็จะสามารถรับบุญของเราได้แล้วก็ จ, จะช่วยให้จิตใจของเขานี่ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นขึ้นไปสู่สวรรค์ได้อันนี้คือสิ่งที่เรามักจะทําควบคู่กันทุกครั้งเวลาที่เราทําบุญทําทานทําเสร็จแล้วเราก็อุทิศบุญกัน การอุทิศบุญนี้ถ้าไม่มีน้ำก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพน้ำนี้เป็นเพียงแต่การสาธิตเท่านั้นเองการแสดงให้เห็นว่าการอุทิศบุญนี้เป็นการส่งบุญจากใจหนึ่งไปสู่ใจหนึ่งโดยเอาน้ำมาเป็นตัวอย่างและภาชนะที่รองรับน้ำที่ใส่น้ำนี้เป็นใจของผู้ให้และของผู้รับ ถ้าไม่มีน้ำเราก็ยังอุทิศบุญได้เพราะการอุทิศบุญนี้เราใช้จิตความรู้สึกความคิดของเราหลังจากที่เราทำบุญเสร็จแล้วเราก็เกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเราก็กล่าวไปเราเลิกภายในจิตใจว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้กับท่านผู้นั้นท่านผู้นี้ที่เราลื่องลับไปแล้วถ้าท่านมารอรับส่วนบุญอันนี้อยู่ ก็ขอให้ท่านรับไปได้เลยเทินเท่นทานี้ก็สามารถที่จะอุทิศบุญได้แล้วแล้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้พระมาสวดกล่าวยถาสัพพีเพราะการสวดของพระนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการอุทิศบุญแต่อย่างใดการสวดของพระนี้เป็นการกล่าวคําสอนกล่าวถึงประโยชน์ของการทําบุญ ว่าเวลาทำบุญแล้วนี้จะเกิดบุญขึ้นมาในใจของผู้กระทำและบุญนี้สามารถที่จะอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงับไปแล้วได้เป็นคาสอนเป็นการบอกเล่าให้ฟังว่าการทำบุญนั้นผู้ที่ได้ทำบุญแล้วมีบุญก็สามารถแบ่งบุญให้กับผู้ที่ร่วงับไปแล้วได้แล้วนอกจากมีได้บุญนี้ รับสามารถแบ่งบุญนี้ไปได้แล้วบุญนี้ยังทําให้ผู้ที่กระทำบุญนี้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะัสุขภะละอันนี้เป็นผลเปนอ น, นิสงที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ทําบุญซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ต้องมีพระมาสวดมาบอกก็ได้เพราะเมื่อเราทําเหตุแล้วผลมันก็เกิดขึ้นทันที จะมีพระมาสวดหรือไม่มีพระมีสวดก็ผู้ทำบุญก็จะได้บุญเกิดบุญขึ้นในใจสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้และผู้ที่ทำบุญก็จะได้รับความสุขความเจริญด้วยอายุวันณะสุขะพระต่อไปอ น, นี่คือเรื่องของการอุทิศบุญซึ่งเป็น เป็นการทำบุญเป็นการสร้างความสุขให้กับใจอีกชั้นหนึ่งเวลาเราทำบุญเราได้ความสุขใจจากการทำทานทำทานเสร็จแล้วเราเอาบุญที่ได้จากการทำทานอุทิศให้กับผู้รวงรับไปแล้วบุญเราก็จะได้ความสุขเพิ่มอีกชั้นหนึ่งก็คือได้ความสุขจากการอุทิศบุญด้วยเพราะว่าเราจะเกิดความรู้สึกมีความสุขใจที่เราสามารถช่วย ส่งให้ผู้ที่เขาล่วงลับไปแล้วได้ไปสู่สุคติต่อไปก็ปเลยเกิดบุญชั้นที่สองขึ้นมาเรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้คือบุญข้อที่สองคือการอุทิศบุญบุญข้อที่สามก็คือการอนุโมทนาบุญคำว่าอนุโมทนาบุญนี้คือการ ชื่นชมยินดีกับการกระทาบุญของผู้อื่นหรือสนับสนุนการกระทาบุญของผู้อื่นเช่นเวลาที่มีคนอื่นเขาทำบุญถ้าเราเห็นว่าเขาต้องการคนช่วยเหลือเพราะบุญบางอย่างเป็นบุญที่ทำคนเดียวไม่ได้อย่างนี้ถ้าเราทราบข่าวแล้วเราอยากจะไปร่วมบุญด้วยไปช่วยทำบุญด้วยอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญ ก็คือสนับสนุนในการทาบุญของผู้อ่นเพื่อให้ผู้อ่นได้ทาบุญสำเร็จรูปวงตามความปรารถนาเช่นบางครั้งทาบุญใหญ่เช่นอออออทอดพระป่าออทอดกระถินซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กำลังทรัพย์กำลังคนมากทาคนเดียวอาจจะไม่สำเร็จถ้าเราทราบข่าว ถ้าเราก็อยากจะช่วยให้เขาได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่นี้ได้สาเร็จเราก็ไปร่วมบุญไปเสนอไปอนุมโมทนาบุญก็คือไปร่วมบุญไปช่วยสนับสนุนด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามสุดแท้แต่เหตุการณ์เช่นถ้าเรามีเรามีบริษัทเราทำธุ ร, รกิจแล้วเรามีคนงานทำงานกับเรา แล้วเขามีความปรารถนาอยากจะขอลาไปบวชสามเดือนในช่วงเข้าพรรษา mm hmm. เขามีความจำเป็นจะต้องขอรางานชั่วคราว mm hmm. เราก็ถ้าเราอยากจะอนุโมทนา mm hmm. อยากสนับสนุนเราก็อนุญาตให้เขาไปลาได้ mm hmm. โดยที่ไม่ลงโทษเขาคือหลังจากที่เขาบวชเสร็จแล้วเขาก็สามารถกลับมาทำงานต่อได้ mm hmm. ไม่เหมือนกับบางบริษัทบางคนที่อาจจะไม่อยากจะอนุโมทนาบุญไม่อยากจะสนับสนุนก็ต้องบอกให้เขาลาออกจากงานไปก่อนถ้าอยากจะไปบวชก็ต้องลาออกจากงานอยากจะลางานชั่วคราวนี้เขาไม่สามารถรับได้เพราะเขาอาจจะต้องไปหาคนอื่นมาทำงานแทนแต่ถ้าเราอยากจะสนับสนุนเขาอยากอนุโมทนาร่วมบุญกับเขาเราก็ อ น, นุญาตให้เขาไปได้ถ้าเราเป็นคนใจบุญเราอาจจะไม่ตัดเงินเดือนเขาก็ได้ให้เงินเดือนเขาเช่นถ้าเป็นค่าราชการนี่สามารถลาบวชได้เก้าสิบวันโดยที่ยังได้รับเงินเดือนอยู่อันนี้เป็นเพราะรัฐบาลาต้องการสนับสนุนให้คนเป็นคนดีเพราะการไปบวชนี้เป็นการไปศึกษาวิธี ทำความดีต่างๆว่าเราจะอยู่กันด้วยด้วยการกระทาอย่างไรที่จะทำให้บ้านเมืองสงบที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรัฐบาลและก็เลยยินดีที่จ ะ, ะสนับสนุนข้าราชการผู้ที่อยากจะไปบวชอนุญาตให้ลาบวชได้90สวันโดยที่ไม่ต้องตัดเงินเดือน อันนี้ก็เป็นเรื่องของการอนุโมทนาบุญคือให้มีความยินดีกับการทําบุญของผู้เพราะการทําบุญนี้ไม่มีโทษกับใครมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทั้งกับตนเองและทั้งกับผู้เป็นการสนับสนุนให้สังคมเรามีคนดีเพิ่มมากขึ้นเมื่อสังคมเรามีคนดีเพิ่มมากขึ้นสังคมก็จะมีความสุขมากขึ้น เพราะคนดีนี้จะไม่สร้างความทุกข์สร้างความรุ่นวายต่างๆให้กับสังคมแต่จะมาสร้างความสุขให้กับสังคมทั้งกับตนเองและทั้งกับผู้การอนุโมทนาบุญก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเวลาเราอนุโมทนาบุญเราก็จะได้บุญด้วยเราก็จะได้รับความสุขจากการที่เรามีความยินดีหรือจากการที่เรา เสียสระผลประโยชน์บางอย่างเพื่อให้เขาได้ได้มีโอกาสได้ทําบุญตามที่เขาปรารถนาอันนี้ก็เป็นวิธีทําบุญข้อที่สามก็คืออนุโมทนาบุญข้อที่สี่ในการทําบุญก็คือบางเวลาเราอยากจะทําบุญแต่เราอาจจะไม่มีกําลังทรัพย์ไม่มีเข้าวของเพราะเราอาจจะมีรายได้ไม่มากพอ ไม่สามารถที่จะแบ่งทรัพย์เข้าของเงินทองนี้ไปทำบุญได้เราก็สามารถทำบุญด้วยการ เ, าเป็นอาสาสมัครที่เรียกว่าจิตอาสาไปช่วยทางานทาการให้กับองค์กรหรือช่วยผู้ใดผู้หนึ่งบุญนี้ก็เรียกว่าเป็นการรับใช้ผู้หรือช่วยเหลือผู้การทำบุญ การได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์สุขจากการกระทําของเราอันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึง่งเป็นวิธีทําบุญอีกอย่างหนึง่งเพราะคนเราบางทีฐานะไม่เท่ากันบางคนไม่มีเงินทองที่จะทําบุญก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ทําบุญยังทําบุญได้ถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ไปเป็นอาสาสมัครไปทํางานทําการทําประโยชน์ โดยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดอันนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้แล้วบุญข้อต่อมาอข้อที่สี่แล้วข้อที่ห้าก็คือบุญที่เกิดจากการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะทำให้มีความสุขใจเพราะเราจะไม่มีความเสียใจหรือมีความโกรธ เวลาที่ใครเขาดูถูกดูแคลนเราไม่ยกย่องสรรเสริญเราทำหนิตีเตียนเราเป็นต้นเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะเราไม่ถือตัวว่าเราเป็นคนเก่งคนดีคนวิเศษเราถือว่าเราเป็นคนต่ําต้อยเป็นเหมือนเราเป็นเหมือนคนรับใช้ผู้อื่นการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตอนก็คือการทําตัวเราให้ต่ําที่สุดต่ํากับาผู้อื่น มองผู้ว่าเขาเป็นเหมือนเจ้านายเรา<ม>เป็นผู้ที่ใหญ่กับเรา<ม>ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราจะไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจวุ่นวายใจเวลาที่เขาไม่ให้เกียรติเราเวลาที่เขาดูถูก<ม>ดูแคลนเรา<ม>เราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเราทำตัวเราให้เป็นผู้ที่ต่ำต้อยอยู่แล้ว<ม>อันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งคนเราบางทีนี่มีความทุกข์ใจเพราะว่าบางที รู้สึกว่าเวลามีใครเขาด่าเราเขาว่าเราหรือเขาไม่ให้เกียรติกับเราเขาดูถูกเราทำให้เรานี้เสียใจทุกข์ใจขึ้นมานั่นก็เพราะว่าเราไปถือตัวของเราให้สูงซึ่งความจริงตัวเราทุกคนนี้มันไม่มีสูงไม่มีต่ำหรอกมันเป็นสมมุติเราคิดกันขึ้นมาเองสมมุติกันขึ้นมาเองว่าเราสูงเราต่าตามตา ม, ตามเหตุการณ์ ซึ่งมันก็เป็นแค่สมมติซึ่งความเป็นจริงแล้วเราทุกคนนี้ก็เท่าเทียมกันเป็นเหมือนกันเพราะเราทุกคนก็มีร่างกายกับจิตใจเหมือนกันร่างกายของทุกคนก็เป็นเหมือนกันไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็กก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดใจก็เป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกัน สามารถคิดอะไรต่างๆได้เท่าเทียมกันจริงความจริงแล้วไม่มีใครสูงกว่ากันต่ำกว่ากันถ้าเราศึกษาเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเข้าใจว่าเรื่องตัวตนนี้เป็นเรื่องของสมมติเราสมมติตั้งกันขึ้นมาเองเช่นยศต่างๆตำแหน่งต่างๆนี่ก็เป็นสมมติที่เราตั้งกันขึ้นมาเป็นเหมือนการเล่นละครโลกนี้เป็นเหมือนโรงละครโรงใหญ่ ที่พวกเราที่เกิดมาแล้วก็มารับบทเล่นละครกันต่างกันไปบางคนก็ได้รับบทให้มาเล่นเป็นคนรวยบางคนก็ได้รับมาให้เล่นเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งที่สูงส่งบางคนก็มารับมารับบทของคนขอทานของคนยากจนอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมมุติที่เกิดจากบุญและบาปที่เราได้ทำกันมาในอดีต บุญะบาปนี้เป็นผู้ที่กำหนดให้พวกเรามาเกิดมาสูงมาตำ่ำมารวยมาจนมาดีมาชื่วกันเท่านั้นเองแต่พื้นฐานจริงๆของพวกเราทุกคนนี้เป็นเหมือนกันหมดมีจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันมีร่างกายที่มีอาการ32เหมือนกันไม่มีใครสูงกว่ากันต่ำกว่ากันถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราเป็นเพียงตัวละคร เวลาเราไปเล่นละครเขาผู้กำกับเขาก็จะบอกว่าคุณเล่นบทนี้นะคุณเป็นเจ้านายนะตอนนี้คุณเป็นลูกน้องน ะ, ะลูกน้องก็ต้องทำหน้าที่ของลูกน้องเจ้านายก็ต้องทำหน้าที่ของเจ้านายไปแต่พวกเรานี้ปัญหาอยู่ที่เราหลงเราไม่รู้ว่านี่เป็นสมมุติกันเราไปเอาจริงเอาจังกับมันจนกระทั่งทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจต่างๆตามมา เพราะความหลงความยุดติดในสมมุติของเราดงนั้นวิธีที่เราจะ ว, วิธีที่เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างสุขได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจก็คือเราต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเราพบปะกับใครเจอใครเราต้องสมมติตัวเราว่าเราต่ำกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาเขาเป็นเขาเด่นกว่าเราเขาใหญ่กว่าเรา ถ้าเราทำทำใจอย่างนี้ได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเขาจะดา่าเขาจะว่าเราก็าเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราถือว่าเขาใหญ่กว่าเราเขาโตกว่าเราอันนี้คือการทำบุญอีกอย่างหนึง่งอันนี้ไม่ต้องใช้ข้าวของเงินทองเพียงแต่ทาใจให้รู้จักทาใจให้รู้จักวางตัวให้ถูกต้องเมื่อเราวางตัวของเราให้ต่าแล้วเราจะไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ ถ้าเราวางตัวไว้สูงว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะต้องให้เกียรติเราเขาจะต้องเคารพเราเขาจะต้องยกมือไหว้เราอะไรต่างๆเขาจะว่าเราไม่ได้ถ้าเราไปวางตัวอย่างนั้นแล้วมันก็จะเกิดปัญหาถ้าเขาไม่ได้ทำตามที่เราวางตัวของเราไว้เพราะบางทีเขาก็ไม่รู้ก็ได้หรือบางทีเขาไม่สนใจก็ได้เขาไม่อยากที่จ ะ, ะยกย่องเราก็ได้ อันนี้เราก็ต้องรู้จักว่าเราอยู่ในโลกของคนที่มีหลากหลายเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปห้ามเขาไม่ให้เขาดูถูกดูแคลนเราได้ไม่ให้เขาตำหนิติตียีเราได้เขาจะทำยังไงเราก็ต้องปล่อยเขาทำไปแล้วใจเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจถ้าไม่เช่นนั้นเราเราจะมีแต่ความทุกข์เวลาเราพบปากกับใครแล้วเขาไม่ได้ทำ ตามที่เราอยากจะให้เขาทำเราก็จะเสียใจโดยที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องเสียใจแต่อย่างใดถ้าเราเข้าใจหลักของความเป็นจริงว่าเราทุกคนนี้เหมือนกันเราเป็นเพียงแต่ตเราเป็นเป็นตัวละครเรามาเล่นละครกันมาเล่นบทต่างๆกันตามตามกฎกติกาของโลกของสังคมของบุญของบาปที่เราได้ทำมาบุญและบาปนี่เเป็นผู้ที่กากับ บทบาทต่างๆของเรา mm. เรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้จะ ต, ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น mm. แต่ความเป็นจริงแล้ว mm. ตัวเรานี้ก็คือจิตใจกับร่างกายที่เหมือนกันทุกคน mm. ที่มีความเท่าเทียมกันทุกคนไม่สูงไม่ต่ำกว่ากันไม่ดีไม่เชีย่ยวกว่ากันมีความรู้ความสามารถเท่ากันคือสามารถ ร่างกายก็สามารถทำอะไรต่างๆได้เคลื่อนไหวไปมไปไหนมาไหนได้เหมือนกันใจก็สามารถคิดได้รู้ได้เหมือนกันฉะนั้นขอให้เรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะได้อ่อนน้ำทำตนได้ทำตัวเราให้เป็นผู้อ่อนน้ำทำตนแล้วจะทำให้ใจของเรามีความสุขไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนกับใครใจเราจะไม่ทุกข์เพราะเรายอมรับกับ การปฏิบัติของผู้อื่นต่อกับตัวเราได้ไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนเขาจะมาสูงกว่าเราก็ได้เขาจะมาเท่าเราก็ได้เขาจะมาต่ำกว่าเราก็ได้เรารับได้หมดอันนี้ก็คือบุญที่เกิดจากการามีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญต่อข้อต่อมาที่ผู้เจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันก็คือให้เรามี ความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรความเห็นที่ถูกต้องก็คือรู้ว่าเนี่ยจิตใจของเรานี้เป็นของที่ไม่ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นของชั่วข่าวแย่จิตใจของเรานี้อยู่ต่อไปน่าจะไปเกิดในภพต่างๆต่อไปล้ากเกิดสูงหรือเกิดต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่เราทำกันถ้าเราอยากจะไปสู่ภพที่สูง เราก็ต้องทำบุญอย่าทำบาปถ้าเราไม่ต้องการให้จิตใจเราตกต่ำกว่ากว่าที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ขณะนี้เราเป็นมนุษย์แต่เราสามารถปล่อยให้จิตใจเราลงต่ำได้ถ้าเราไม่ป้องกันไม่รักษาความเป็นมนุษย์<ม>ด้วยการไปกระทำบาปต่างๆ<ม>ถ้าเราทำบาปแล้วจิตใจเราก็จะลงต่ำลงไปสู่เป็นไปสู่อบาย ไปเกิดเป็นเดลฉานบ้างเป็นเป็ดบ้างเป็นนสุลกายบ้างไปตกนรกบ้างอันนี้คือการมีความเห็นที่ถูกต้องก็รู้ว่าชีวิตเราตายแล้วไม่สูนตายแล้วเราไปต่อร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เราที่เราได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่ปั้นร่างกายนี้ให้กลับเรามา เพื่อให้เราได้มีร่างกายไว้ปราทาอะไรต่างๆในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ <Yeah. S 2> แต่ตัวของเราจริงๆก็คือใจผู้รู้ผู้คิด <Yeah. S 2> ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <Yeah. S 2> ยังอยู่ต่อแล้วจะไปต่อแบบไหนก็ <Yeah. S 2> ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุข ที่เรเรียกว่าไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเทพชั้นต่างๆหรือเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยบุคคลขึ้นอยู่กับการทำบุญของเราแต่ละชนิดว่าเราทาบุญแบบไหนมันก็จะสามารถสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจได้ตามบุญที่เราทำกันถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะดึงให้จิตใจเราลล ลงต่ําให้เราไปเป็นดวงวิญญาณที่เหีวโห้เรียกว่าเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวเรียกว่าสูรากายเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นเรียกว่านรกหรือถ้าได้มาเกิดก็จะได้ร่างกายของเดรัจฉานมาเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเป็นปลาอะไรเป็นต้นอันนี้เป็นเพราะว่าในขณะที่เราเป็นมนุษย์นี้เราไม่รักษาศีลกันเราไม่รักษาศีลห้า เราปล่อยให้ใจทําอะไรตามอําเภอใจอยากจะได้อะไรก็ก็ทำไปถ้าต้องฆ่าก็ฆ่าถ้าต้องลักทรัพย์ก็ลักทรัพย์ถ้าต้องการถ้าต้องประพฤติผิดประเพณีก็ประพฤติผิดประเพณีถ้าต้องพูดปวดโกหกหลอกลวงก็พูดปวดโกหกหลอกลวงถ้าต้องเดินสลายาเมาก็เดินสลายาเมาการกระทําเหล่านี้จะเป็นการดึงใจให้ลงต่ําและสร้างความทุกข์ให้กับใจ เพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเรารู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะทุกครั้งที่เรามาเกิดทุกครั้งที่เรามีร่างกายนี้เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันซึ่งเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตายนี้เราก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บกันเพราะมันทุกข์เป็นคนแก่จะทาอะไรก็ยากลาบาก เจ็บไข้ได้ปวดก็มีความเจ็บปวดทั่วสพางร่างกายและเวลาตายก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยก็ทุกคนก็เลยไม่อยากจะเจอกับความทุกข์กันแต่ก็ห้ามไม่ได้ถ้าตราบใดยังมีการมาเกิดอยู่เพราะว่าการเกิดนี่แหละที่จะทําให้เกิดการแก่การเจ็บการตายตามมาถ้าไม่อยากจะเจอกับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องหยุดความการมาเกิดให้ได้ ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่มีการแก่การเจ็บการตายเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เราพระมาเกิดกันในโลกนี้เหตุที่พาให้เรามาเกิดกันพระเจ้าก็ทรงตัดสุลุทรงค้นพบว่าเกิดจากความอยากต่างๆของเรานี่เองอยากการอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดการเสบรูปเสียงกลิ่นลดก็ออยากดูอยากฟังอยากดูหนังฟังเพลงอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะไปกินไปดืม่มอะไรต่างๆ อันนี้แหละเป็นความอยากที่ดึงให้เรากลับมาเกิดกันเพราะเราต้องมีร่างกายใจเราไม่มีร่างกายใจไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายแต่ใจอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพา้าเมื่อมีความอยากจะเสบก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือร่างกายก็เลยต้องไปรอรับร่างกายอันใหม่เวลาที่ร่างกายอันเก่านี้ตายไปแล้วใจก็จะไปรอรับร่างกายใหม่ ช่วงก่อนที่ก่อนจะได้ร่างกายใหม่ก็ไปรับผลบุญผลบาปก่อนไปอยู่สวรรค์หรือไปอยู่นรกก่อนจนกว่าผลบุญผลบาปหมดกำลังลงแล้วเราก็จะได้กลับมาดอรับร่างกายของมนุษย์ใหม่เพื่อเราจะได้ตอบสนองความอยากของเราอยากเสียรูปรเสียงกลิ่นรสนีแล้วก็อยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยมีทรัพย์มีสมบัติมีข้าวของเงินทองอยากมีตาแหน่งมี มีอะไรต่างๆที่คนในโลกเขาอยากมีกันก็าอยากมีอยากเป็นแล้วก็มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่อยากไม่เจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันอยากไม่เจอกับความทุกข์ยากลำบากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเหตุเหล่านี้แหละเป็นเหตุที่จะพาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะ กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้และอะไรที่เป็นเครื่องมือที่จะทําให้หยุดความอยากเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าก็ส่งคนเพราะว่าก็คือการทําบุญต่างๆนั่นเองคือการทําบุญทําทานการรักษาศีลการภาวนาถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องแบบนี้เราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทําบุญอย่า ง, างไรเพื่อที่จะทําให้เราไม่กลับมาเกิดนะ เราก็ต้องมาทําทานตามที่ผู้เจ้าสอนให้ทํามารักษาศีลศีลห้าแล้วก็เพิ่มไปศี 8, ลแปดเงต้นก็หัดรักษาศีลห้าก่อนแล้วต่อไปก็รักษาศีลแปดเพื่อที่เราจะได้ไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมได้ไปเจริญจิตตภาวนาคือทําใจให้สงบเรียกว่าสมถภาวนาและทําใจให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา ถ้าเราสามารถปฏิบัติทานศีลภาวนาได้อย่า ง, างสมบูรณ์แบบสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็สามารถที่จะยุติการเวียนว่าตายเกิดของเราได้นี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้องซึ่งบางคนอาจจะเกิดมาแล้วอาจจะมีความรู้ความฉลาดในตัวเองสามารถเห็นเพราะชาติก่อนๆ อ, อาจจะได้ศึกษาได้เรียนรู้มาก่อน แต่ถ้าเรายังไม่เห็นยังไม่มีสัมมาทิฏฐิยังไม่มีความเห็นชอบเราก็ต้องเข้าหาผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องรอในยุคที่มีผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีผู้ท so ี่ม <Sure> ีสัมมาทิฏฐ right> ิมาคอยสอนมาคอยบอกเราเราก็ต้องรอมาเกิดในจังหวะที่มีพระพุทธศาสนามีผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็น มีความเห็นที่ถูกต้องว่าการการทําบุญทำบาปจะทําให้เราไปสวรรค์ไปนรกกันแล้วการทําความอยากต่างๆนี้จะทําให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจะต้องเรียนรู้ก็ต้องก็ต้องเรียนรู้จากผู้ที่รู้คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์การเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการฟังธรรมนี่เอง เวลาเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาอันนี้สงของการฟังธรรมหนึ่งในห้าห้าประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังธรรมก็คือจะได้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงตายไปแล้วจะต้องไปรับผลบุญผลบาปในสวรรค์ในนรกมีจริง <Yeah. S 1> การเวีนว่าตายเกิดก็มีจริง การจะยุติการการจะยุติการเวียนว่ายเกิดเพื่อไปสู่พระนิพพานก็เป็นก็มีจริงอันนี้เราจะได้เรียนรู้จากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีบุญที่เกิดจากการมีสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องแสวง หาสัมมาทิฏฐิด้วยการหมั่นฟังเทศฟังธรรมมั่นศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีใครมาสอนบอกเราเรื่องของเรื่องของสัมมาทิฏฐิเรื่องของความเห็นที่ถูกต้องนี้ว่าเป็นอย่างไรเราก็จะเราก็จะคทางเหมือนคนตาบอด เราก็จะไปตามความทำไปตามความอยากต่างๆของเราบางครั้งเราก็อาจจะทำบาปบางครั้งเราก็อาจจะทำบุญแล้วมันก็จะส่งผลให้เราเวลาตายไปต้องไปอยู่บนสวรรค์บ้างต้องไปอยู่ในอบายบ้างหลังจากไปพ้นจากสวรรค์พ้นจากอบายเราก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาทำบุญทำบากปกันใหม่เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยไม่มีวันสิ้นสุด แต่เส้นสุดได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นบุญที่ที่เราต้องทําถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิในตัวของเราเองถ้าเราไม่รู้ว่าทําบุญแล้วได้อะไรทําบาปแล้วได้อะไรถ้าเราไม่รู้ว่าตายไปแล้วเราจะกลับมาเกิดได้อย่างไรเราก็ต้องมาทําบุญอีกข้อหนึ่งที่เรียกบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือบุญที่เกิดจากการศึกษาธรรมะคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาบ่อยๆเราก็จะเข้าใจว่า บ, บ, บุญมีประโยชน์อย่างไรบาปมีโทษอย่างไรความอยากต่างๆนี้มีผลต่อการเวียนว่ายตายเกิดของเราอย่างไรถ้าเราไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้และการที่จะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัย การปฏิบัติทานศีลภาวนาทำบุญสามข้อหลักทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาบุญที่บุญที่กล่าวมาถึงนี้รู้สึกจะพูดถึงเจข้อแล้วบุญที่ยัง8ข้อแล้วบุญที่ยังไม่ได้พูดถึงข้อที่9ก็คือการรักษาศีลและบุญข้อที่10บก็คือการภาวนาการภาวนานี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาพัฒนายก ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสงบมากขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้กําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปอันนี้คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาก็ทํากันซึ่งเราสามารถแบ่งบุญนี้ไว้ได้เป็นสองส่วนด้วยกันคือบุญที่เราเราไม่ต้องทําเป็นประจำก็ได้ และบุญที่เราต้องควรเราต้องทําเป็นประจําถ้าเราอยากจะได้รับผลนั้นสูงสุดบุญนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนอาหารอาหารก็มีอาหารหลักและอาหารอาหารเสริมเวลาเรารับประทานอาหารนี้เราต้องมีอาหารหลักคือต้องมีข้าวมีกับข้าวส่วนอาหารเสริมเช่นของหวานขนมผลไม้อะไรต่างๆนี้บางทีเราไม่มีรับประทานก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อน เรายังอยู่ได้บุญนี้ก็เหมือนกันบุญก็มีแบ่งไว้เป็นบุญหลักกับบุญเสริมบุญหลักก็คือนี่แหละคือเหน่งการฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะคาสั่งคําสอนเพื่อให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้นําเอาไปปฏิบัติเพื่อยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องหมั่นศึกษากันอยู่เรื่อยๆพราะพุทธเจ้าจึงกําหนดวันพระขึ้นมา วันพระเป็นวันฟังธรรมวันธรรมัสสวันะแต่ว่าวันฟังธรรมวันที่ศรัทธายาิโยควรที่จะหยุดภารกิจการงานสักหนึ่งวันแล้วก็ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมกันเพราะในสมัยก่อนสมัยพุทธกาลนี้เวลาจะฟังธรรมต้องไปที่วัดไม่เหมือนกับสมัยนี้ที่เรามีสื่อต่างๆที่เราสามารถฟังเทศฟังธรรมกันได้ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคน ต่มให้ก่อนนี้ต้องหยุดทํางานต้องมีเวลาว่างถึงจะไปวัดได้ไปวัดเพื่อที่ได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเพื่อที่จะได้ให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าเราต้องทําบุญถ้าเราไม่เราต้องทําบุญถ้าเราต้องการไปสวรรค์เราต้องไม่ทําบาปถ้าเราไม่ต้องไม่อยากจะไปอบายไม่ไม่อยากจะไปเกิดในอบาย แล้วถ้าเราไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยการไปฝึกจิตเรียกว่าไปปฏิบัติจิตตภาวนาทาจิตใจให้สงบนี่คือบุญบญหลักที่เราต้องทำข้อแรกก็คือต้องขยันฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะธรรมสอนเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเพื่อที่เราจะได้ยุติ กองทุกข์ของเราที่เรามาเจอกันอยู่เรื่อยๆก็คือกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราไม่จำเป็นจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆเราสามารถหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเรารู้จักวิธีทำให้มันหยุดได้วิธีที่ทำให้มันหยุดก็คือเราต้องมีการทาบุญหลักอยู่เป็นประจาก็คือทำทานนอกจากการฟังเษแล้วเราก็ต้องทาบุญทาทานให้เป็นประจาให้เร า, าเเรู้จักเสียสละแบ่งปัน เพื่อละความโลภความอยากให้มันน้อยลงไปอย่าไปอยากได้อะไรมากมายของในโลกนี้เป็นของชั่วคราวตายไปแล้วมันจะเราเอาอไปไม่ได้อย่างหนึ่งแล้วสองมันจะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสะสมทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองให้มากกว่าเท่าที่จำเป็นมีทรัพสมบัติไว้เพียงแต่เลี้ยงดูร่างกายเราก็พอให้่างกายเราอยู่อยู่ได้ไปวันๆหนึ่ง เพราะเราไม่ต้องการที่อยากจะอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นวิธีให้ความสุขกับเราถ้าเรายังอาศัยเงินทองให้ความสุขกับเราอยู่มันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราอย่าไปพึ่งเงินทองมากกว่าความจําเป็นเงินทองที่เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้ไม่ถือว่าเป็นเงินทองที่จะดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้เพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรง เพื่อที่เราจะได้เอาไปปฏิบัติธรรมที่จะได้ตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินมากกว่าที่เราจะใช้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายเราได้ก็แบ่งมาทำบุญทาทานการทำบุญนี้ถ้าทำได้ทุกวันก็จะดีเพราะว่ามันจะมันจะเป็นการปลูกฝังนิสัยให้เรามีการทาอยู่เรื่อยๆ แล้วมันจะทำให้เราทำง่ายจะทำให้เราไม่เสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะว่าเราไม่ได้ทำทีละมากเช่นถ้าเรามีวัดอยู่ใกล้บ้านมีผ้ามาบิณฑบาตนี้เราก็ใส่ทำบุญใส่บาตรไปทุกวันหรือถ้าว่าเราอยากจะทำบุญใส่บาตรแต่เราอยู่ห่างไกลสมัยนี้เราก็สามารถทาด้วยการถ้ามีทางวัดมีบัญชีเราโอนเงินเข้าบัญชีได้ก็โอนเข้าบัญชีวัดก็ได้ หรือถ้าเราไม่มีบัญชีเราก็ทําเอาเงินใส่กระปุกไว้ก็ได้วันที่เราจะใส่บาทวันนี้วันเราสมมุติว่าเราจะใส่บาทวันละห้าสิบาทแล้วก็เอาเงินใส่บาทใส่กระปุกไปห้าสิบาททุกวันแล้วพอวันไหนที่เราสะดวกที่จะไปวัดเราก็เอาเงินที่ใส่ในกระปุกนี้ไปถวายวัดต่อไปอย่างนี้ก็จะทําให้เรามได้ทําบุญทุกวันได้ตัดกิเลสตัดความโลภตัดความอยากมีทรัพย์สมบัติเงินทองอยากร่ำอยากรวยไป เพราะความอยากเหล่านี้มันจะดึงให้เรากลับมาเกิดกต่อไปอันนี้ทาไมเพราะนี่คือเหตุที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำทานเงินตัดตัดความอยากความโลภในข้าวของเงินทองให้มีเงินทองไว้เพียงพออยู่พอกินก็พอส่วนเกินนี้ก็เอาไปแบ่งไปช่วยเหลือไปแจกจ่ายคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วจะทำให้ใจของเรานี้มีความสุข ทำใหถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานยังยังหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้บุญที่เกิดจากการทําทานนี้ก็จะพาให้เราไปสวรรค์กันหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วและเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยเนื่องจากเนื่องจากบุญที่เราทํานี้เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารไม่สูญหายไปไหนเรากลับมาเราก็ยังกลับมา มีเงินที่รอรอรับเราอยู่ <Yeah. S 1> เหตุที่คนเราบางคนเกิดมาร่ำรวย <Yeah. S 1> บางคนเกิดมายากจนก็เพราะ <Yeah. S 1> ได้ทำบุญหรือไม่ได้ทำบุญมานี้เองคนที่ได้ทำบุญในอดีตพอกลับมาเกิดใหม่ <Yeah. S 1> ก็จะมีทรัพย์สมบัติรออยู่มาเกิดบนกองเงินกองทองกันคนที่ไม่เคยทำบุญพอกลับมาเกิดก็ไม่มีกองเงินกองทองรอรับอยู่ <Yeah. S 1> ก็ต้องมาเกิดแบบยากจนอันนี้ก็อา น, นิสงของการทาทาน อย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอมันก็จะทำให้เราติดเป็นนิสัยจะทำให้ทำง่ายไม่ยากเพราะเราทำครั้งเราไม่มากถ้าเราคิดว่าเราจะรอทำนา น, านๆทำครั้งแล้วทำเยอะๆนี่พอถึงเวลาจริงๆแล้วพอต้องทำเยอะๆบางทีก็ไม่มีเงินที่จะทำก็ได้เพราะเราเอาเงินไปใช้อย่างอื่นเสื้อก่อนหรือว่าถ้ามีบางทีแล้วก็เกิดความเสียดายขึ้นมาไม่อยากจะทำตามที่เราตั้งใจไว้ก็ได้ แต่ถ้าเราทําทุกวันนี้มันก็จะรู้สึกไม่มากาแต่มันสะสมไปเรื่อยๆทาทั้งปีแล้วถ้าเรามารวมยอดแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามากพอสมควรดังนั้นการทําบุญทําทานนี้ควรจะทํากันเป็นเป็นกิจวัตรทาทานทุกวันทําบุญใส่สาบาตก็ได้หรือว่าถ้าเอาเงินใส่สะสมไว้ในกระปุกก็ได้แล้วเวลามี มีโอกาสได้ทำบุญก็เอาเงินที่เราสะสมไว้ในกระปุกนี้มาทำบุญ mm hmm. แล้วบุญที่เราต้องทำอีกข้อหนึ่งที่ที่เราต้องทำประจำก็คือการรักษาศีลเ mm hmm. บื้องต้นก็เราต้องรักษาศีลห้าให้ได้เพราะถ้าเราไม่รักษาศีลห้านี่เราก็จะดึงของใจของเราให้ลงต่ำได้ mm hmm. ต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ตอนนี้ใจของเราเป็นมนุษย์ mm hmm. แต่ ถ้าเราไปทําบาปนี้ใจของเราก็จะเสื่อมจากมนุษย์ลงไปไปเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าทําบาปด้วยความหลง<ม>ถ้าทําบาปด้วยความโลภ<ม>ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความกลัว<ม>ก็จะไปเป็นอสูรร่ากายถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเทียดแค้นก็จะไปนรก<ม>นี่เราป้องกันได้ป้องกันไม่ให้ใจเราตกสู่อบายไดด้วยการรักษาศีลห้า<ม>นี่ นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามปฏิบัติรักษาทำทุกวันให้ได้ทำทานทุกวันรักษาศีลถ้าเราทำได้สองข้อนี้ตายไปรับประกันได้ว่าเราจะไม่ไปเกิดนาบายอย่างแน่นอนไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุ ร, รกายไม่ไปตกนรกตายไปเราก็จะไปไปเป็นไปสวรรค์ไ ป, ไ ป, ไ, ป, ไ, ปไปเกิดในสวรรค์เป็นเทพชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับว่าเราทำมากทำน้อยถ้าทำทำทานมากก็จะไปอยู่ สวรรค์ชั้นสูงทำทานน้อยก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นตำ่ำแต่แต่ก็ดีกว่าการที่เราจะต้องไปเกิดในอบายแล้วหลังจากนั้นพอพ้นจากสวรรค์เราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ปนมนุษย์ที่มีความมั่งคัง่งมีความสมบูรณ์ด้วยทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆถ้าเรายังไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องปฏิบัติ ทำบุญขั้นที่สูงกว่านี้คือการภาวนาการภาวนาก็คือการการยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ขั้นของพระอริยบุคคลขั้นสู่ของของพรหมของพระอริยะบุคคลเพราะการที่จะหยุดการมีนไหวตายเกิดได้นี้จะต้องยกระดับจิตใจให้ขึ้นให้ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอริยะเจ้าขั้นของพระอรหรันต์ และการจะขึ้นไปได้นี้ก็ต้องอยู่ที่การมาปฏิบัติจิตตภาวนาคือการนั่งสมาธิแล้วก็เกิดการการใช้ปัญญาเพื่อละเพื่อตัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่คอยดึงใจให้ลงต่าให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันในการที่เราจะไปภาวนาได้นี้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีศีลที่มากกว่าศีลห้าไว้เป็นเครื่องมือสนับสนุน ก็คือเราต้องเพิ่มจากศีลห้าเป็นปสู่ศีล8ถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วการไปถือศีล8ดเพิ่มอีกสามข้อก็ไม่ยากเย็นอะไรซึ่งเราอาจจะค่อยๆเป็นค่อยทำค่อยไปก็ได้เร้่งต้นเราก็อาจจะไปถือศีลปดในวันพระกันอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เลือกวันไหนที่สะดวกแล้วเราก็ไปอยู่วัดกันหนึ่งวันไปถือศีล8ดหรือถ้าไม่อยู่วัดอยู่บ้านก็ได้ รักษาศีลแปที่บ้านก็ได้ถ้าที่บ้านสะดวกที่จะรักษาศีลแได้แต่ที่บ้านอาจจะไม่ค่อยจะมีบรรยากาศที่ดีต่อการที่เราจะต้องการปฏิบัติจิตภาวนาคือทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ฉลาดการที่จะทำจิตจิตภาวนานี้ได้ผลดีต้องไปอยู่ในที่ที่สงบที่ไม่มีอะไรมาลบกวนใจไม่มีเรื่องลูกเสียงกิ่ลดโทสไม่มีเรื่องของ ความวุ่นวายต่างๆมาคอยลบกวนใจต้องอยู่ในที่สงบนิ่งถึงจะสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาได้ดัง<อ>นั้นผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติจิตภาวนานี้มักจะต้องไปอยู่วัดกันไปหแล้วก็ไปรักษาศีลศีลแปกันเพราะศีลห้านี้จะไม่สามารถช่วยสนับสนุนให้ได้มีการปฏิบัติจิตภาวนานได้อย่างสะดวก ราะศีลห้านี้ยังไม่ห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายถ้าถือศีลแปแล้วนี้ห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายศีลข้อศีลข้อสามก็จะห้ามไม่ให้เราไปร่วมหลับนอนกับใครนะถ้าถือศีลห้ายังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับแฟนได้กับคู่ครองของเราได้แต่ถ้าถือศีล8แล้วนี้ก็ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใคร เพื่อเพื่อจะได้เอาเวลาที่ไปใช้ในการร่วมหลับนอนกับผู้นี้มาให้กับการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากต่างๆนั่นเองเป้าหมายของการภาวนา น, นี้ก็เพื่อหยุดความอยากที่เป็นเหตุที่พาให้เรามาวิ่งว่ายตายเกิดกันแนการที่เราจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะหยุดความอยากก็คือสติ ถ, ani, ถ้าเราไม่ The er มีสตินี้เราก็ไม <Interviewer. S 2> ่สามารถหยุดความคิดต่างๆได้ถ้าเราไม่หยุดความคิดความอยากก็มันก็จะไม่หยุดตามเพราะความอยากนี้มันต้องใช้ความคิดเป็นตัวที่ทำให้มันเกิดความอยากขึ้นมาได้เช่นถ้าเราไม่ได้คิดถึงรูปรูปเสียงกลิ่นรนเราก็จะไม่มีความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรนแต่พอเราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรดขึ้นมาปั๊บนี่ความอยากก็จะตามมาทันที คิดถึงอาหารก็อยากจะกินขึ้นมาทันทีคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มคิดคิดถึงขนมก็อยากจะกินขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้<ม>ความอยากมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นัง<ม>ั<ม>้นเบื้องต้นนี้ในการปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากนี้เราต้องใช้เครื่องมือคือสติสตินี้จะมาคอยควบคุมความคิดหยุดความคิด ถ้าเราไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสไม่คิดถึงอาหารไม่คิดถึงขนมไม่คิดถึงเครื่องดื่มไม่คิดถึงภาพยนตร์ไม่คิดถึงเสียงเพลงอะไรต่างๆไม่คิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวเราก็จะไม่มีความอยากที่จะไปทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถ้าเราไม่ควบคุมความคิดปล่อยให้คิดเดี๋ยวมันก็อยากจะไปนู่อยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปกินไปดื่มมันก็จะทาให้เราไม่สามารถที่จะอยู่วัดได้ อยู่แล้วก็เริ่มรู้สึกหุดหงิดอุดอึดอัดเพราะความอยากอยากจะไปเที่ยวมันมีกําลังมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องพยายามต่อสู้กับความอยากด้วยการรักษาศีลแปดศีลข้อ6ก็คือไม่ให้กินอาหารตามความอยากให้กินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอก็ให้กินวันละครั้งสองครั้งไม่เกินเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันเราก็งดอาหารกัน พรรับประกันได้ว่าร่างกายไม่ตายเพราะอดอาหารแค่มื้อเดียวคือมื้อเย็นจากการกินอาหารมื้อเย็นนี่มันจะทําให้เกิดอุปสรรคในการที่เราจะมาควบคุมความคิดเพื่อมาหยุดความคิดหยุดความอยากเพื่อทําใจของเราให้สงบได้เราก็ต้องเราก็ต้องควบคุมการรับประทานอาหารรับประทานพอพอพอต่อความต้องการของร่างกายวันละมือ้อสองมื้อก็พอเพียง แล้วหลังจากเที่ยงมันไปแล้วเราจะได้มีเวลามาใช้ในการควบคุมความคิดของเราด้วยการจะเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิไปแล้ ว, ลวข้อที่เจ็ดของสี่แปดก็คือเราก็ต้องละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่ดูไม่ฟังไม่ดูหนังฟังเพลงโมะหะรสบบันเทิงต่างๆไม่เสริมสวยความงามของร่างกาย ด้วยเครื่องสมอางด้วยเครื่องน้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆเพราะการกระทาเหล่านี้เป็นการทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาคอยควบคุมความคิดหยุดความอยากต่างๆนั่นเองเราก็ต้องลดกิจกรรมเหล่านี้ลงไปและข้อที่8ก็คือเราก็ไม่ควรนอนมากเกินไปเพราะการนอนมากก็จะทำให้เราเสียเวลามีค่าที่เราจะเอามาใช้ในการควบคุมความคิดหยุดความอยากนั่นเอง เราก็ต้องนอนบนที่นอนที่ไม่สบายมากจนเกินไปคือนอนบนพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือ่อถ้าเราเรานอนบนฟูกหนาะๆนี้เราจะนอนมากกว่าที่ร่างกายต้องการปกติร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนคือละสีห้าชั่วโมงก็พอแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาะๆพอเราได้น่างกายได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงตื่นขึ้นมาแล้วแต่ใจมันจะไม่อยากลุกเพราะใจมันรู้สึกสบายกับ นอนบนฟูกหนา mm. ก็จะก็จะนอนต่อไปอีกสาสี่ชั่วโมงด้วยกันแต่ถ้าเรานอนบนพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายได้หลับนอนพักผ่อนพอเพียงสี่หชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเราก็จะได้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญสติมาคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดต่างๆ mm. นี่คือสิ่งที่เราต้องต้อ ง, ต, องต้องมีคือ มีเวลาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเราก็ต้องมาถือศีลแปดกันถ้าเราอยากจะหาจะมีเวลาให้กับการจเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากต่างๆอันนี้ก็ต้องอาศัยความความความเพียรพยายามต้องอดทนนะเพราะปกติแล้วใจของเราชอบทาตามความอยากกันอยู่เรื่อย อยากทำนู่นอยากทำนี่ตลอดเวลาแต่การทำความอยากนี้มันไม่ได้มีคุณมีประโยชน์มากนกะมันอาจจะให้ความสนุกความเพลิดเพลินเราชั่วครัง้งชั่วคราวไปแต่มันจะทำให้เราทุกเวลาที่เราไม่สามารถทำตามความอยากต่อไปได้ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบหยุดความอยากได้เวลาเราไม่มีเวลาที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เราจะไม่รู้สึกทุกข์อะไรเพราะเรามีความสุขจากการมีความสงบของใจนี่เอง ดังนั้นเราต้องพ ย, ยต้องยอมยอมอดทนยอมยอมยอมทุกหน่อยยอมทุกต่อการที่เราจะต้องไม่ทำในสิ่งที่เราเคยทำเพื่อที่เราจะได้มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขคือหาความสุขจากการทําใจของเราให้สงบเราก็ต้องหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายไป่อที่เราจะได้มีเวลามาเจริญสติ เพราะสตินี้เป็นตัวสำคัญในการที่จะควบคุมใจของเราให้หยุดคิดให้ใจของเรานิ่งสงบหยุดความอยากต่างๆถ้าเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนหลับนี้เวลานั่งสมาธินี้จิตจะสงบนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาและเวลาจิตสงบนิ่งแล้วใจจะรู้จะมีความรู้สึกมีความสุขซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการทาตามความอยากต่างๆ ถ้าเร า, เราได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบเพียงครั้งเดียวแล้วเราก็จะเกิดเราก็จะติดใจเราก็อยากจะหาความสุขแบบนี้เพิ่มให้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปแทนที่จะไปปฏิบัติทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสองวันแล้วถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างก็อาจจะเพิ่มเป็นสามวันต่อไปก็อาจจะไปอยู่วัดตลอดเลยก็ได้ไปอยู่แบบนักบวชเลยก็ได้เพราะว่าความสุขที่เราได้จาก การทำใจให้สงบนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงและมันสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆความ ว, าวามุ่นวายใจต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วสามารถทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดและในการที่เราจะทำได้เราก็ต้องใช้ความเราก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อในคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องหมั่นศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นพอเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นแล้วพอเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับสัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติในพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราเคยเคยได้มาจากการทำตามความอยากต่างๆ ต่อไปเราก็จะเลิกทําตามความอยากต่างๆมาทําใจให้นิ่งให้สงบให้อยู่เฉยๆไม่ให้มีความอยากแล้วใจก็จะมีความสุขแบบถาวรถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นอะไรความสุขของใจก็ยังสามารถมีได้ตลอดเวลาร่างกายจะแก่ยังไงใจก็ยังสงบมีความสุขได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็สงบมีความสุขได้ร่างกายจะตายจิตก็สงบไม่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อน แล้วตายไปแล้วจิตก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปจะอยู่กับความสงบกับความสุขนี้ไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายมาเป็นเครื่องมืออีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาทำบุญต่างๆที่ผร้เจ้าได้ทรงสอนให้พวกเรากระทำกันถ้าพวกเราสามารถนำมาไปปฏิบัติได้โดยเฉพาะบุญที่เราควรจะทำอย่างประจําอย่างต่อเนื่อง คือการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิแล้วก็การทำบุญทาทานอยู่เป็นประจำตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไปตามกำลังรักษาศีลห้าศีลแปแล้วก็ไปปฏิบัติจิตาภาวนาไปเจริญสตินั่งสมาธิ mm hmm. ถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้อย่างต่อเ น, นื่องจนเป็นอยู่ในระดับของพระสุปฏิปันโนเราก็จะสามารถกาจัด ความยากต่างๆที่พาให้เรามาทุกข์มาเวียนว่ายตายเกิดกันได้แล้วเราก็จะได้อยู่กับความสุขแบบพระพุทธเจ้ากับพระสาวกต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทําบุญในพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะท้าวเลวะฮาปุราบาริปุเรติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติยุติตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุทฒาปะจายโน ตารโมนาวทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคือคถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดพอหลังจากที่เลิกแล้วก็จะไม่สะดวกก็ต้องขออนุ ญ, ญาตไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ตอบช่วง ถ้าอยากจะถามขอให้ถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามา ก, ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 488ท่าน Youtube พระสุชาติ Live 311ท่าน y o u t u ด e อรว87ท่านครับเฮา หกท่านวิทยุออนไลน์สิบหกท่านนาคุติสองร้อยสิบเอ็ดท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าทนครับพอาจารย์เชิญถามได้เลยท่านมีคำถามคำถามจะพูดเราฟังนาะกุศ ค, ค่ะเดี๋ยวมีท่านอยากจะถามเหร อ, อเอาก่อนนะครับขออนุญาตขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ครับ ที่พระอาจารย์เทศ เ, เรื่องความถ่อมตนครับ mm hmm. ทีนี้ในตอนอยู่ในโลกและตอนทํางานนะครับ mm hmm. ด้วยตำแหน่งหน้าที่บางทีเหมือนเราต้องข่มเขาต้องเพื่อเพื่อเจรจาสื่อสารหรือเพื่อเพื่อการดำเนินการเนี่ยครับ mm hmm. ผมต้องวางจิตวางใจหรือต้องทำยังไง คือเราก็ทําตามหน้าที่ของเราเรามีบทบาทเป็นเจ้านายเราก็ต้องชั้เราก็แส ด, ดงบทบาทเจ้านายไปแต่เราไม่ไปยึดติดกับการเป็นเจ้านายของเรา<ม>ถ้าเกิดเขาไม่ไม่ฟังคําสั่งเราเราก็ยังไม่เราก็จะไม่เสียใจเพราะเราไม่ได้ไปยึดติดว่าเราเป็นเจ้านายเขาเขาเพียงแต่ทําหน้าที่ของเจ้านายไปเป็นกิริยาอย่าอย่าเอาใจเข้าไปเล่นกับมันด้วยเป็นบทเป็นบทแสดง เราเป็นเจ้านายแล้วทําธุรกิจเราคุยกับใครแล้วเราต้องพูดไปตามหน้าที่ของเร า, าตามตําแหน่งของเราบางครั้งเหมือนต้องตวาดหรือต้อ ง, ต, อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องต้องต้องดุต้องเปิดฉากซึ่งปกติจะทําไม่ค่อยได้มันจะเหมือนฝืนใจสักหน่อยถ้ามันจําเป็นต้องต ว, วาดก็ ต, ต ว, วาดแบบสุภาพก็ได้ไม่ไม่ต้องต ว, วาดแบบแบบเหมือนกับหยาบคายอะไรอย่างนี้นครับผมพเพื่อให้ว่ารูา่า เรามาเราเอาจริงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขพูดไปแต่อย่าพูดแบบเหมือนกับว่าไปว่าเขาเป็นเป็นสุนัขเป็นอะไรไปอย่าเงี้ยก็ไม่ไม่ไม่ควรเป็นคำหยาดนะครับต้องต้องพูดด้วยน้ำหนักการด้วยความสุภาพอ๋อครับเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์เพื่อเพื่อไม่ไปทําลายน้ำใจเขาไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไปดูถูกเหยียดหยามเขาแต่พูดให้เขาเข้าใจว่าถ้านก็ทําอย่างนี้ ผิดก็จะต้องถูกลงโทษนะอันรนี้ก็พูดไปตา ม, ตามหลักตามหลักการได้ได้ครับอาจารย์ครับครับผมเอ่อขออนุญาตถามต่อเรื่องการปฏิบัตินิดหนึ่งครับอาจารย์ เ, เมื่อก่อนเวลาเข้าสมาธิก็จะรู้สึก เหมือนอยู่ในภวงังอยู่ในสมาธิแล้วก็จะเหมือนตัดขาดจากภาษาอื่นๆได้ในระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ทําแบบนั้นไม่ได้มันก็จะรู้สึกยังรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวเหมือนเข้าได้บางๆเพลินๆแล้วไม่แน่ใจเหมือนว่าจะทําแบบนั้นไม่ได้อีกทําถูกทางไหมครับหรือผมต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างมันถูกแล้วเพียงตอนนี้เราขาดสติสติเรากําลังอ่อนถ้าเราอยากจะกลับเข้าไปในระดับนั้นเราก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้น อาจจะต้องไปเปรตเว้ยวอยู่คนเดียวเป็นพักๆเป็นช่วงๆไปไปเสริมสติคอยเจริญสติทั้งวันทั้งคืนถ้ามีสติมันกาลังมากมันก็จะดึงจิตเข้าไปข้างในได้ที่มันดึงเข้าไปไม่ได้เพราะมันหมดกําลังได้ไปครึ่งทางแล้วถูกกิเลสมันค่อยดันออกนั่นอะไรอยู่ยังไม่เข้าไปไม่สุดทาง okay. ขาดสติกําลังไม่พอเหมือนขับรถขึ้นเขาอ่ะ ขึ้นเขาบางทีก็รถกําลังไม่พอก็ขึ้นไม่ได้ก็ต้องไปฟินรถยนต์เลยเขาพอใจรับช่วงนี้ติดในทางโลกแล้งงานเยอะครับใช่ถ้าคิดมากทางโลกมันก็ทางทางก็จะไม่มีกําลังทีอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนทํางานเหมือนเป็นช่วงการตัดสินใจของชีวิตครับถ้าจะเอาดีทางโลกก็จะต้องทิ้งทางทำแต่ถ้าบบบ ไม่เอาดีทางนั้นแล้วยังเกาะ อ, อยู่ทางธรรมเราเหมือนเราจะยังไม่ไปไหนผมหาจุดกึ่งกลางไม่ได้แล้วตอนนั้นเมื่อสองปีก่อนผมเลยตัดสินใจทิ้งทางธรรมแล้วไปทางโลก <ừ> พอมาตอนนี้เหมือนตัดสินใจผิด <ừ> แล้วไม่รู้ถ้าต้องเจออย่างนี้อีกต้องก็ไม่สายกันไปถ้าเราตัดสินผิดเราก็อย่าไปทางนี้เดี๋ยวเรา วิเทินทั้งหมดไม่อมรผมใชไหมอะไี้มันจะดังไปเหรือถ้ามันรู้ว่าีไปปิดทางอะไรเนี่ยได้ครับถ้ามันไปผิดทางแล้วก็อย่าไปวิวเทินกลับแล้วก็ไปทางอาจาจะต้องไปพลิดเครื่องยน<ค>ต์ก่อนเพราะันตงขึ้นเขาครับผมทางไปนิพานมันต้องหนุนปีนเขาทางไปนรกมันเหมือนเดินลงเขา ง่ายใช่ครับมันรู้สึกง่ายดีครับแต่ว่าไม่คุ้มเลยได้ขณะที่สนุกชั่วครั้งชั่วคราวหลังจากนั้นก็ต้องมารับมิบาของมันซึ่งส้นแสนจะทุกข์แสนจะทรมานใช่ครับครับผมขอบคุณพระเจามากครับสาธครับสาทุครับอาจายาพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จนั่นนะตามไม่มีอะไรที่สุดวิสัยถ้าเราตั้งใจที่จะสู้เพือย่างตั้งความตั้งใจ คำถามจะพูดรับฟังหน้ากฎค่ะหากเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้นักแสดงชาวต่างชาติที่เพิ่งเสียชีวิตไปเขาจะได้รับหรือไม่คะก็อยู่ว่าเขาอยู่ในฐานะไหนคนตายไปแล้วนี่มันดวงวิญญาณอาจจะอยู่ถ้าเป็นเทพแล้วก็ไม่ต้องรอรับส่วนบุญเขามีบุญเยอะแต่ถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็จะมารอรับมารอรับส่วนบุญนั่นก็อยู่ที่ฐานะของเขาว่าก็รอรับอยู่หรือเปล่า ถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับบุญไปเชิญจะ้ะขออนุญาตถามพระอาจานะคะเออสมมุติว่าถ้าเกิดเราเห็นคนทําผิดศีลไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามแล้วเราเลือกที่จะไม่พูดหรือว่าบอกต่อไปให้ใครได้รับรู้เป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอกมันอยู่ที่ว่าเรามีหน้าที่จะต้องพูดหรือเปล่าถ้าไม่มีหน้าที่เราก็ไม่ต้องพูดก็ได้ พูดก็ จ, จะเจ็บตัวก็ได้ดันั้นบางทีก็บางทีมันก็เพื่อความปลอดภัยของเราเราก็อาจจะไม่พูดมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปประจายว่าคนนั้นผิดคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวความผิดของเขาก็จะประจักษ์ในสายตาของคนอยู่เองต่อไปขอให้เรารู้ว่าเขาผิดแล้วเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาก็แล้วกันหรือถ้าคนใกล้ชิดเราเขาจะไปยุ่งเกี่ยวเรา จ, จะบอกเตืองเขาได้ว่าค น, นี้ไม่ดีนะเขาเป็นคนอย่างนั้นคนอย่างนี้นะ แต่ถ้าบอกแล้วเขาไม่เช e ื่อเราก็ห้ามเขาไม่ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะไม่บาปไม่บาปขอบคุณาบอกความผิดของคนอื่นไม่บาปถ้าเป็นความจริงค่ะถ้าไปบอกแล้วเขาไม่ไม่เป็นอย่างที่เขาเขาาที่เราพูดเนี่ยอันนี้เราโกหกนะมันเรื่องบาปค่ะขอบคุณค่ะคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ผมเป็นคารว่ารักษาศีลห้าปฏิบัติเข้าถึงความว่างอยู่ตลอดเวลารู้ทันสภาวะต่างๆเป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติกราบเรียนถามว่าขั้นต่อไปควรเร่งปฏิบัติอย่างไรครับก็เราต้องมองความทุกข์ต่างๆที่เราจะต้องเจอต่อไปว่าเราจะทำข้อสอบเหล่านี้ได้หรือเปล่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยรือว่ารักเจอโรคที่รักษาไม่หายจะต้องตาย แล้วเราทำใจให้เฉยได้ไหมเราไม่เดือดร้อนกับมันได้หรือเปล่าพระเจ้าสอนให้เราเราเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพราะนี่คือข้อสอบของเราต่อไปเราจะต้องแก่จะทำลายไม่ได้เหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาว จะต้องอาศัยคนนั้นอาศัยคนนี้บางทีก็อาศัยก็ได้บางทีก็อาศัยก็ไม่ได้เราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนรือว่าทุกข์ใจบางคนพอแก่แล้วก็ไม่อยากจะอยู่เพราะมันทุกข์มันไม่สบายใจก็อยากจะฆ่าตัวตายกันก็มีงั้นเราต้องทําข้อสอบเหล่านี้เตรียมทําข้อสอบเหล่านี้ฝึกอยู่แบบคนแก่เดูยวฝึกอยู่บ้านเฉยเฉยไม่มีใครมาช่วยเราเราหัดทําอะไรทุกอย่างด้วยตัวเราเอง ถ้าอยากจะรู้ว่าเวลาเจ็บเราอยู่กับมันได้ปะก็ไว้เวลานั่งสมาธิมันเจ็บก็อยากเพิ่มลุกาหาวิธีทําใจให้นิ่งเพื่อจะได้รับกับความเจ็บได้อันนี้เป็นข้อสอบที่เราจะต้องเตรียมทําต่อไปอันนี้ไม่มีข้อสอบหล้วจะคิดว่าไอเราทําได้ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองเมื่อเจอเจอความจริงเราจะทําได้หรือป่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึง คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะขอกราบนมัส ก, การขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำต่อทีครับตอนนี้ปฏิบัติจิตปภาวนาดูลมหายใจเมื่อเกิดความอยากก็ควบคุมตัวเองได้รู้ทันความคิดแล้ววิปัสนาไปด้วยเห็นว่าสิ่งต่างๆทำให้เกิดทุกข์และไม่รู้สึกสงสัยอะไรด้วยครับ ก็ไปบวชได้แล้วอย่างนี้ <c oughs> หรือว่ า, าบวชได้ปล่าไม่เป็นเพียงแต่ความคิดของเราถ้าอยาจะไม่เสื่อว่าจริงหรือไม่ก็ไปบวชคนที่คนที่บรรลุแล้วส่วนใหญ่เขาจะไปบวชกันทั้งนั้นแล้วเขาไม่รู้จะอยู่ไปทําอะไรไต่อไปแล้วไปอยู่เป็นนักบวชแล้วไปทําประโยชน์เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนคนอื่นต่อไปได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ผมปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาพุทโธจนรู้สึกเหมือนว่าตัวเราชาไม่รู้สึกไม่รู้สึกเหมือนเหมือนไม่มีตัวตนเบาสบายแบบนี้เป็นอาการของชาขั้นไหนครับก็มันไม่ไมันไม่ได้บอกเราไม่ใช่เลยว่ามันอยู่มันชาขั้นไหนเพราะมันไม่บอกเราก็ไม่ต้องไปสนใจขอยรู้ตามความเป็นจริงของมันก็พอจิตยิ่งสงบใจจิตก็จะยิ่งว่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในความรู้สึกในคิดก็จะค่อยๆหายไปหมด จนกระทั่งมันว่างเต็มที่เลยก็ถ้าว่างเต็มที่ก็ถือว่าเข้าสู่ฌานขั้นที่สี่อเชิญถามต่อได้อ่าหนูเพิ่งหนูเพิ่งเข้าใจคําว่าอาสุภะนะคะเมื่อหนูเกิดแผลที่ข้อมือแล้วหนูเห็นว่าหนังบางๆเนี่ยหุ้มหุ้มเนื้อเราค่ะขออนุญาตพระอาจารย์นแนะนําเพิ่มเติมเจ้าคะ่ะให้เรานึกถึง เวลาที่ร่างกายเราถูกไฟไหม้เป็นแผลหรือ ว, ว่ามีสิวมีฝ้าเกิดขึ้นเนี่ยความสวยงามของร่างกายมันก็จะกลายเป็นความไม่สวยงามขึ้นที่เราศึกษาสุภาษนี้เพื่อให้เราไม่หลงกับความสวยงามของร่างกายเพราะความสวยงามของร่างกายเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความจริงร่างกายนี้มันเปลี่ยนได้จากความสวยงามกลายเป็นความไม่สวยงามได้เพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงรักใคร ตอนนี้เขาหน้าตาดีอยู่แต่วันดีคืนดีเกิดเขาเกิดอุบัติเหตุโดนไฟไหมอย่างเงี้ยแล้วมีแผลถ้าเรายังจะรักเขาได้อยู่ใต่อไปหรือเปล่าอันนี้มีไว้เพื่อละความอยากที่จะมีแฟนอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของเขานอกจากหนังแล้วมันต้องมีส่วนภายใต้ผิวหนังอีกที่เราต้องมองเข้าไปให้เห็น ใต้ผิวหนังก็มีเนื้อใต้เนื้อก็มีกระดูกมีโครงกระดูกแล้วในในช่องท้องก็มีปอดมีตับมีหัวใจมีลำไส้มีปอดมีอะไรมันต้องมองให้ครบมองให้เห็นเยอะๆจะได้เห็นว่าร่างกายนี้มันสวยเพียงแค่ภายนอกสวยแค่สวยแค่ผิวหนังนั่นเองพอลึกเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วไม่มีอะไรน่าดูเลยมันก็จะทําให้เราไม่หลงรักใครไม่มีความอยากจะมีแฟนกับใครเป็นแฟนใคร เพราะได้ได้โครงกระดูกมาเป็นแฟนเขาไหมเห็นว่าเรามีโครงกระดูกกันรึเปล่าหนูเพิ่งเข้าใจเอ่แต่ยังไม่รู้แจ้งจริงเจ้าค่ะต้องดูบ่อยๆคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆเจ้าค่ะต่อไปเห็นมองเห็นใครก็เห็นโครงกระดูกของเขาเลยเจ้าค่ะแต่ได้ไม่เป็นหลงรักเขาเจ้ารักเขาก็รักโครงกระดูกเขารักําใส้เขารักปอดเขารักไตเขาเจ้าค่ะ อันนี้สำหรับนักบวชหรือพวกที่ถือศีลแปดพวกที่ไม่ไม่หาความสุขจากการมีแฟนจากการย่อมกับแฟนถ้าเกิดอารมณ์เหงาขึ้นมาก็ต้องนึกถึงอสุภะพอานึกถึงอสุภะแล้วมันก็หายเหงาอารมณ์เหงามันก็หายไปเจ้าค่ะปกติหนูไม่เคยเข้าใจเลยอยู่ๆหนูมีแผลแล้วหนูเห็นมันตลกหนูก็เลยเหตเข้าใจขึ้นมาเจ้าค่ะร่ากายมันไม่แน่นอนเจ้าค่ะมันเปลี่ยนแปลงได้ ต่อไปก็ยิ่งจะแก่กันหนั้นก็จะเขียวย่นมีกะมีฝ้ามีอะไรเต็มตัวไปหมด<ช>ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแต่เราลืมไปเราคิดว่าเราจะเป็นสาวเป็นหนุ่มไปตลอดเจ้ค<ช>่ะ ต, ต่อไปก็เหมือนปู่ย่าตายายเราเนะพระอาจารย์ถ้าใช้กลับขอบคุณพระอาจารย์เจคะ่ะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับมันมันเป็ขอไม่เท่มไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ย อันจะต้องเป็นอย่างนี้พอมันเป็นเราก็จะไม่ต้องไปทําสัญญกรรมอะไรต่างๆให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองไปบ้างคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะการรักษากําลังสติให้มีมากที่สุดนอกจากการจะเดิญสติแล้วการไม่ดื่มสุราก็ถือเป็นการรักษากําลังสติให้ดีตลอดเวลาได้ใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งอะ ถ้าเดือดสุราแล้วก็ไม่มีสติประคข้าประคองใจคนที่เดือดสุรามาแล้วพูดจาหยาบคายทําอะไรก็ทําให้เกิดความเสียหาย<ม>เพราะไม่มีสติคอยควบคุมความคิดของความกระทํำของตนแต่อันนี้ก็เป็นระดับปกติธรรมดาอยาจะได้สติามากกว่านี้อยากทําใจให้นิ่งให้สงบก็ต้องเพิ่มสติให้มากกว่านี้<ม>การไม่เดือดสุราเพียงอย่างเดียวนี้ไม่สามารถทําให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ แต่วเวลาไม่เดินสุรากันเนี่ยเรามานั่งสมาธิดูนเนี่ยก็ยังไม่สงบเพราะสติที่เรามีอยู่ในระดับนี้ยังไม่พอเราต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นต้องคอยควบคุมความคิดให้มันคิดน้อยลงไปเรื่อยๆ อ, อย่าให้มันคิดอืแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะนื่งสงบได้คําถามจากคุณซุปตาสตาค่ะ ตอนที่มีความโกรธมากๆากพยายามท่องพุทโธสวดมนต์ก็ไม่หายมันยังค้างที่ใจอยู่เราสามารถระบายความโกรธนี้ให้ออกไปด้วยการตะโกนใส่หมอนได้ไหมคะไม่ได้เหรอเราต้องสวดต่อไปเรายังสวดไม่มากพอมันก็เลยยังไม่หายสวดไปจนกว่ามันจะหายนะถ้าเราสวดไม่หยุดไปสักพักหนึ่งมันก็หายที่เราสวดไปนเดื่อยๆเราอยากจะให้มันหยุดมันไม่หยุดเราก็หยุดสวดพอหยุดสวดมันก็ไม่หยุด เหมือนกินยาเน่ะเวลาหมอให้ยามากินไม่ใช่กินเม็ดสองเม็ดแล้วมันจะหายทันทีใช่กินไปเรื่อยๆจนกว่าอาการเก็บไข้ได้ป่วยหายไปเราถึงหยุดกินคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะสติตามรักษาจิตปัจจุบันได้ตลอดถ้าเป็นนักบวชนักปฏิบัติเร่งปฏิบัติขั้นตอนใดต่อคะก็ไปบวชไปอยู่คนเดียวไปเปรดที่เวก หาเวลานั่งสมาธิให้มากให้จิตสงบมากๆนานๆจนเราสามารถควบคุมจิตได้ตลอดเวลาด้วยสติแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปฝึกปัญญาสอนใจให้ไม่ให้ไปหลงกับสิ่งต่างๆอย่าให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะความอยากนี้จะพาให้เราต้องไปวุ่นวายใจต้องไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้ สอนสอนให้เห็นว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะามันไม่เที่ยงเพรว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสั่งได้บังคับได้พอเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่มีความอยากกับอะไรต่อไปเมื่อไม่มีความอยากมันก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีการมามีนไหวาตายเกิดอีกต่อไปคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ การที่เราจะน้อมนำความสนใจของคนเช่นพ่อแม่ลูกและภรรยาให้มาสนใจในธรรมกระผมควรทำด้วยวิธีใดจึงจะเป็นผลสำเร็จโดยง่ายไม่มีอะไรง่ายหรอกการจะลึงคนมาทางธรรมนี่นยากยิ่งกว่าจับหมาไปอาบน้ำอีกเพราะฉะนั้นก็ทำทำส่วนของเราไปส่วนเขาจะทำตามหรือไม่ม็นเรื่องของเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้ ก็พยายามทําหน้าที่ของเราไปศึกษาปฏิบัติธรรมของเราไปทําเป็นตัวอย่างถ้าเขาเห็นดีเห็นงามวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะทําตามก็ได้แต่ไม่ใช่ทําปุ๊บแล้วเขาจะเห็นดีเห็นงามทันทีอ้อบงทีมันต้องใช้เวลาให้เขาเห็นว่าเออเราทําแล้วตัวเราดีขึ้นเป็นคนใจเย็นขึ้นเป็นคนสุภาพขึ้นเป็นคนมีความกระตันยูมากขึ้นอะไรต่างๆถ้าเขาเห็นคุณค่าของการทําความดีของเราแล้ว เขาว่า อ, อยากจะทําตามตอนที่พระเจ้าออกบวชก็ไปนึ่งใครไปด้วยไม่ได้ต้องไปคนเดียวเลยไม่มีใครตามไปแต่พอหลังจากตัดสั้แล้วมาสั่งสอนธรรมะให้เขาฟังเขาก็มีศรัทธาออกบวชตามพระเจ้ากันเป็นจนํานวนมากดังนั้นต้องทำตัวเราให้ดีก่อนทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเขาเห็นว่าเราดีแล้วเขาก็อยากจะทําตามเราต่อไป คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติคะ่ะเคยสังเกตตัวเองเวลาปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมอยู่กับที่เริ่มเบื่อจิตก็ไม่สงบเวลาเปลี่ยนสถานที่ก็สงบได้เร็วเปลี่ยนสถานที่บ่อยจําเป็นหรือไม่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการปฏิบัติเราดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นถ้าดีขึ้นก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อย คำถามจากทางย t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะมีบทสวดมนต์ตอนว่าธรรมะอนัตตาติขอให้หลวงพ่อเมตตาอธิบายให้เข้าใจเจ้าค่ะคำว่าธรรมะนี่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้รู้เห็นด้วยตาหูจมูกนิ้นกายใจนี้มันเป็นธรรมมันไม่มีตัวตนมันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนต้นไม้ใบหญ้าฝตกแดดออกไม่มีตัวตนร่นางกายเราก็ไม่มีตัวตน ร่างกายเราก็เป็นเหมือนต้นไม้เงแต่ว่ามีใจมาครอบครองบัญั่งให้มันทําอะไรเราก็เลยไปคิดว่ามันมีตัวตนขึ้นมาความจริงมันก็มันก็เป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนะนี่คําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเราควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังสิ่งที่ทําให้เราฟุ้งซ่านหรือเราควรเผชิญหน้าพิจารณามันดีครับสาธุครับ ออถ้าเรามีกําลังพิจารณาแล้วปล่อยวางได้ก็พิจารณาเลยแต่ถ้าพิจารณาแล้วปล่อยวางไม่ได้ใจเรา ว, ว, วุ่นวายเราก็ควรจะถอยออกไปก่อนไม่ฝึกสติเพื่อให้มีกําลังไปฝึกปัญญาให้มีกําลังก่อนแล้วค่อยกลับมาเผชิญหน้าต่อไปคํำถามจากทาง youtube ดร์วค่ะ การฝึกวิปัสสนาในชีวิตประจำวันนั้นเช่นถ้าเห็นนกเล็กๆกระโดดไปมาคิดถึงการเกิดดับโดยคิดภาพนกนอนตายเอาเท้าชี้ฟ้าการฝึกเช่นนี้ถูกต้องใช้ได้ไหมคะก็อยู่ที่ว่าเราไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่าถ้าเราเห็นอะไรแล้วเราไปทุกข์กับมันเราก็ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้ คำถามจากคุณสรศักดิ์ค่ะสอบถามพระอาจารย์ครับเมื่อดูลมรู้สึกตัวตลอดเวลาพอได้หลับเหมือนไม่ได้หลับทั้งคืนเลยครับก็ดีเลการนั่งปฏิบัติบางทีก็ถือในสัตชิกกันเขาไม่นอนกันเพราะเขาจะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะก็อยากจะหลุดพ้นเร็วๆไวๆก็เลยปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่ง่วงนอนก็ถือว่าเราเรามีสติมากสติเป็นตัวทําให้ใจเราตื่น เราก็ต้องฉวยโอกาสช่วงนั้นพยายามปฏิบัติให้มากเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวร่างกายมันเพลียมันก็ต้องหลับอยู่ดีหมดหรือยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วเวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านทรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด